เฉพาะพรรคเพื่อไทยนะเขามีมติเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเป็นรายมาตราเขาแก้แบบนี้ฮนะพรรคเพื่อไทยนะมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีวงเล็บ4นะฮะวงเล็บ4ว่าได้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก้ไขให้เป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่า ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอีกทีนะท่านผู้ชมฮะวงเล็บสี่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แก้ไขให้เป็นตัวสีแดงเห็นไหมฮะไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะวงเล็บห้านะไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงแก้ไขให้เป็น นะครับเอ่อต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกานะอันนี้เป็นสองวงเล็บนี้แหละที่จัดการพิชิตชื่นบานกับท่านเศรษฐางวงเล็บนี้แหล ะ, และจะแก้ใหม่จะแก้ใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแก้ไขามาตราสองหนึ่งหนึ่ง ว่าด้วยมติของสามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดีต่างๆเดิมเนี่ยถือเสียงข้างมากเดิมถือเสียงข้างมากก็แก้ไขให้เป็นนะครับให้เป็นต้องใช้เสียงสองในสามอของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับและแก้ไขเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรให้เฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่อง ที่วินิจฉัยเท่านั้นที่จะผูกพันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าจากเดิมเนี่ยอาคุณเศษฐาโดนถอดถอนออกจากการเป็นนายกห้าต่อสี่นะห้าต่อสี่ถ้าสมมติว่าใช้ตามหลักการแก้ไขของสอสอเพื่อไทยแล้วคุณเศษฐาจะไม่หลุดนะเพราะว่าต้องใช้เสียงสองในสามอ๋มอเนี่ยต้องหกต่อสามใช่ไหมต้องหกต่อสามจึงจะหลุด เสียงข้างมากเฉือนกันหนึ่งเสียงไม่ได้เลยฮะอืมไม่ได้เลยฮะอืมนี่หวาดผวาขนาดนั้นนะแล้วก็ต้องเ อ, อจะผูกพันกับทุกองค์กรไหมดูเป็นเรื่องๆไปโ<อ>ต้องเป็นเรื่องเดียวกันจึงจะผูกพันทุกองค์กรอืมเห็นไหะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยที่ยกมาให้ดูท่านในหกประเด็นนี้เนี่ยพอแก้ออกมาแล้วเนี่ยมันมันอ่อนลงนะส่อนลงลนง่ายใช่มันอ่อนลงมันไม่เข้ม เหมือนกับของเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้ไทโพตก็เลยพาดหัวไงเนี่ยฮะไทโพสเนี่ยลิบลิบดาบ <c oughs> ลิบริบดาบสารล่ำนูน <c oughs> คือเพื่อไทยวาดผวามากหลังจากแบบโอ้โหโดนเรื่องของคุณเศษฐานะฮะแล้วคุณพิชิตลิบดาบเลยอะ่ะยังมีดาบอยู่ หรืออาจจะแบบมีอาวุธที่อยู่ประจำตัวสามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันน้อยลงต้องใช้เสียงสองในสามอ่ะ <c oughs> เออดูสียะโอ้กลัวขนาดนั้นเลยนะความจริงเพื่อไทยน่าจะดีใจนะเพราะว่าช่วงย้อนหลังกลับไปช่วงตั้งคอรมอชุดของพรทองทานเนี่ย<อ>ก็มีมีแต่เสียงที่ชื่นชมนะ<อ>ว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่ตั้งรัฐตรีแล้วตรวจสอบประวัติกันยิบเลย ตรวจสอบยิบเลยนะต้องแบบคุณต้องไม่มีผิดพลาดเล็ดลอดอะไรออกมาเลยนะแต่เขาไม่ชอบไงซึ่งมันดีนะมันดีมันดีในสายตาชาวบ้านไงใช่ว่าได้คนที่แบบเออไม่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับค้มไม่ดีเขาอยากจะได้คนเนี้เอญคนนี้แบบโอ้โหพฤติกรรมปุ่มประวัตินี่โคตรมัวเลยเออเห็นไหมมันดีอยู่แล้วนะแล้วคนเขาชื่นชมเออดี เป็นครั้งแรกนะตัวแบบยิบๆเลยนะไม่ให้มีหลุดรอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียวเลยแต่น่าเสียดายสิ่งดีๆไม่ได้คงเอาไว้ใช่เจ้าแบบเดิมใช่เจ้าแบบเดิมไม่น่าจะต้องไปแก้เราต้องคิดสึกครับว่าคนเข้ามาทํางานเออเพื่อบ้านเพื่อเมืองเข้ามาทํางานในประเทศเนี่ย<อ>มันต้องได้รับคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดใช่นะฮะมันต้องดีจริงๆเออใช่ไหม ทำไมเราจะแปลวคนสีเทาๆเข้ามาทำไม<อ>ใช่ไหมคนในประเทศนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเราเลือกได้นะเอาดีจริงๆไม่น่าแก้เลยแล้วก็เป็นการให้โอกาสคนรุ่นใหม่กลุ่มใหม่ด้วยนะใช่ใช่ให้แบบรุ่นน้องรุ่นลูกเนี่ยได้เข้ามาทํางานใช่ก็ดีฮนะนายชูศักดิ์สลีนินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยฝ่ายกฎหมาย ก็พูดถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับฉบับพักเพื่อไทยหกประเด็นว่าในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมเรายังไม่มีจุดเริ่มว่าจะนับตรงไหนแต่มีความคิดว่าจะเริ่มตั้งแต่สารดีการับฟ้องคดีจริยธรรมนะเป็นต้นถึงจะเข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงห้ามดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยกระบวนการจริยธรรม จะต้องมีการไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถึงจะต้องมีมูลและร้องไปที่สารดีกาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานพอสมควรว่าฝ่าฝืนจริยธรรมแต่ต่างจากเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่จะใช้เกณฑ์ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้เนื่องจากเป็นการบัญญัติสับขึ้นมาใหม่นะครับก็ คุณชูศักดิ์ก็ยังอธิบายในส่วนของการแก้มติสามรัฐธรรมนูญโดยใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการตัดสินความสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสส ส, สวและรัฐมนตรีจากเดิมที่ใช้เสียงข้างมากมาใช้เสียงสองในสของตุลาการศาลเท่าที่มีอยู่นั้นหากคดีนี้มีตุลาการศาล9ท่านก็ต้องมี6เสียงที่สั่งให้พนหน้าที่จึงจะมีผลทําให้หลุดจากตําแหน่ง โดยหลักคิดของเราการที่จะเอาคนออกจากตําแหน่งควรจะต้องใช้เสียงพอสมควรเพราะถึงขั้นเอาคนออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสอสอจึงควรเป็นเรื่องที่เอมีพยานหลักฐานพอสมควรนะนี่คุณจูสักด์เนี่ยยังกล้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะท่านผู้ชมครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆว่าเอาคุณจูสัก์เนี่ยก็เกเอาตรงๆก็คือว่าเห็นนายก เสถาเนี่ยถูกถอดออกไปเพราะว่าไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนะแล้วสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยตามที่มีผู้ร้องมาตามกรอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็ต้องไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับก็แก้สองมาตรานี้โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะ ก็เอแต่เดิมเนี่ยในวงเล็บห้าเนี่ยบอกว่าต้องไม่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เปลี่ยนเป็นว่านะครับถ้าเกิดจะมาเพ่งเล็งดูตรงจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี้จะต้องอยู่ในชั้นศาลฎีกาแล้วอืม่ อ, อถ้าเป็นกรณีสมมุติยกตัวอย่างคุณพิชิตที่ผ่าบ ม, มาเนี่ยนะยกตัวอย่างคุณพิชิตเนี่ยอันเนี้ยศาลจะมาเ อ, อถอดคุณพิชิต ออกจากรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าข้อสงสัยว่าคุณพิชิตชื่นบานไปทําแบบนั้นเนี่ยเ อ, อผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหมนะก็ผิดแต่ของใหม่ที่เขาแก้เนี่ยคุณพิชิตเนี่ยเรื่องละเมิดจริยธรรมเนี่ยต้องไปอยู่ในขั้นศาลฎีกาแล้วเท่านั้นอ่าต้องอยู่ในขั้นศาลฎีกาแล้วนะถึงจะเอาตรงนี้เอาจริยธรรมเนี่ยมาวินิจฉัยในศาล ร, รัฐธรรมนูญได้ ต้องเป็นคดีแล้วอ่ะอืมถ้ายังไม่เป็นคดีเนี่ยเอามาพูดไม่ได้อืมต้องตีซะว่าคุณคุณพิชิตมีจริยธรรมดีตามมาตรฐานเจ่บไหมฮะส่วนเรื่องความซื่อสัตย์สุดจริตก็กลับคํานะบอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ก็กลับเป็นว่าไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทํานะเ อ, อไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําเป็นที่ประจักษ์ว่า ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีพฤติกรรมก่อนนะฮะมีพฤติกรรมแบบประจักษ์เลยประจักษ์กับจากของเดิมนิดหนึ่งส่วนสามรัฐธรรมนูญนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมฮะที่นักการเมืองมาแก้ไขและเอียดถึงขนาดเวลาที่สามรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถ้าเป็นการวินิจฉัยถอสมาชิกภาพ สอสอสอวอและรัฐมนตรีต้องใช้เสียงสองในสามนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีสารรัฐธรรมนูญมานะอืมไม่เคยมีแบบนี้นะพอมีสา ร, รัฐธรรมนูญแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการองค์คณะไหนก็ตามแต่เขาก็จะใช้เสียงข้างมากถูกอืมแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่พวกเพื่อไทยเนี่ยกลัวหัวหดตดหายนะจะต้องแบบ จะต้องถูกถอดคุณชูศักดิ์้าอธิบายอ่ะเฮ้ยถอดรัฐมนตรีเรื่องใหญ่นะถอดสอสอเรื่องใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เสียงข้ามากอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบทิ้งห่างด้วยต้องสองในสามด้วยก <c oughs> ลัวขนาดเนี้ยดูสิะ <c oughs> เออคือถ้าแก้แล้วนะคุณเศษฐาจะไม่หลุดเพราะห้าสี่ืงเพราะคุณเศษฐาจะหลุดต้องหกสามสองในสามสองในสามนี่กลัวขนาดนี้ก็อย่างที่คุณธีระบอกอ่ะ พวกคุณแก้เนี่ยเพราะพวกคุณเองเน่แหละอืมนะประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะนักการเมืองได้แล้วแก้แบบนี้อ่บอกตรงๆนะเออมันเป็นการดูถูกตัวเองนะผมจะบอกให้คุณแก้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมคุณแก้คุณไปกลับคำผิดวางตําแหน่งอะไรเนี่ยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคุณทําเหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ยถ้าพูดถึงจริยธรรมถ้าพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว เฮ้ยเรามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเฮ้ยเราเรามีหรือเปล่าเออเรามีจริยธรรมเป็นมาตรฐานหรือเปล่าในเมื่อเรายังไม่แน่ใจเราแก้ตรงนี้ดีกว่าแก้ตรงนี้เผื่อวันหน้าถ้าเกิดนายกเลอกเราเป็นรัฐมนตรีเราจะได้ไม่ติดกั่ตรงนี้ไงเออเราแก้เลยเราแก้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันความจริงพวกคุณเนี่ยเอออย่าว่าแต่เป็นรัฐมนตรีเละพวกคุณเป็นสสเนี่ยพวกคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วนะฮะใช่ไหมฮะนักการเมืองมันต้องมีนะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะฮใช่และคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาไม่กลัวขึ้นศาลนะเขาไม่กลัวเลยคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาไม่กลัวไม่กลัวถูกฟ้องอะอืมใช่ไหมฮะและ้วก็ถ้าเกิดจะมีนายกแต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีนะฮะเขาก็ไม่ติดตรงนี้แน่เพราะเขาซื่อสัตย์สุจริต คนประเภทไหนที่เวลาจะตั้งเป็นรัฐมนตรีต้องมาคิดกันแบบโอ้โหคิดหนักต้องยื่นในคณะกรรมการกิษฎีกาดูนะะเพราะคุณมีปัญหาไม่โปร่งใสในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไงใช่ไห ม, มคนบางคนนักการเมืองเราหเห็นฟบโอ้คนนี้ไม่มีปัญหาเลยคนนี้ซื่อสัตย์อืแต่บางคนบางคนเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยจะตั้งคนนี้เหรอมันทํำไมเป็นแบบนั้นซึ่งความจริงมันต้องทุกคนถูกไหมที่ พอเห็นปุ๊บเอ่อคนนี้ซื่อสัตว์สุจริตอืมอืมแต่พวกคุณกลับไม่ใช่แล้วตอนนี้พวกคุณเนี่ยกลับแก้กฎหมายมาปกป้องพวกที่มันเป็นสีเทาๆอืมพวกที่ดูแล้วมันไม่อ๋อเลยว่าโอ้โหมันไม่ดีดนิ้วเลยว่านี่ซื่อสัตว์สุจริตแน่แน่คุณกลับแก้กฎหมายมาเป็นประโยชน์ให้กับคนพวกนี้มันถูกไหมคุณชูศักดิ์มันถูกไห ม, ม, น, ไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณแบบ ไปไปริดรอนอำนาจของสามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหทำถึงขนาดนี้อ่ะใช่ใช่นี่ผมภาวนาเนะี่ยผมภาวนาเลยนะว่าถ้าเกิดคุณแก้ไขาสำเร็จซึ่งก็คงจะสำเร็จแหละเพราะพวกคุณกำลังจะร่วมกันทำเรารัฐธรรมนูญถ้าสำเร็จนะข่าวต่อไปคดีไหนก็ตามแต่ถ้ายื่นให้ศาลวินิจฉัยว่าคนคนนี้ละเมิดจริยธรรม มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมขอให้ศาลเนี่ยลงมติไปเลยว่าเก้าศูนย์เก้าูนย์เก้าศูนย์หมดเลยใครเห็นไ่เลยคืออยากจะให้ศาลเนี่ยออร่วมกันอยากแก้ไขดีนะอยากจะลิดรลอนอำนาจเรา ม, มาบังคับเรามากเกินไปจะแม้มาทำให้เราต้องคิดมากอมเออทำงานยากทีนี้ถ้ายื่นเรื่องมาจัดการให้หมดเลยเอาแบบ เอาแบบขาดกระจุยคาบ้านเลยอ่ะ90เลยทางด้านคุณหมอพัชรมเดชกิจวิกรมประธานไทยพักดีเนี่ยบอกว่าแม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงยากลาบากของประชาชนไม่น้อยนะปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่แทนที่นักการเมืองทั้งฝ่ายค้าและรัฐบาลเนี่ยจะรวบไม้รวบ ม, มือกันในการดูแลประชาชนกลับไม่นะ กลายเป็นว่าร่วบไม้ร่วบ ม, มือกันที่จะแก้รัฐธรรมนูญและแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนแต่เป็นประโยชน์ต่อนักการเมืองครับประถามว่าแก้รัฐมนูลเพื่อประโยชน์ไทยกับการแปลว่าไม่มีประโยชน์ประชาชนมีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองเช่นพวกโกงสมัครสอสอแได้เร็วขึ้นพวกโกงมาเป็นรัฐมนตรีได้การตรวจสอบอดีตตรวจสอบความประพฤติในเชิงคุณธรรมจริยธรรมก็ ไม่มีที่ทำงานที่สุดก็คือทําให้สารรับเงินจะลงโทษนักการเมืองยากขึ้นหรือแม้แต่ถ้าจะลงโทษนักการเมืองก็ทําให้หนักการเมืองเหล่านี้มาลงสอสอได้เร็วขึ้นนี่คือประโยชน์ของนักการเมืองล้วนๆโดยที่ไม่มีประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแม้แต่น้อยหลังเสร็จภารกิจน้ําท่วมเราอาจจะต้องมาช่วยกันสักครั้งนะครับพี่น้องครับนี่ฮะคือคุณหมอวัชรงค์บอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยก็คือการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังเจอวิกฤต จ, จาก<ม>ภัย น้ำท่วมกอดไหมะนะฮะแล้วนี่ค่ะล่าสุดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยกรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งช่วงหลังก็เป็นแบบกูรูการเมืองนะคะโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าคือคุณระวังเลยนะว่าคุณมาหยิบประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญในจังหวะที่ชาวบ้านเขาเจอปัญหาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาน้ําท่วมระวังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของรัฐบาลนะคะ เพราะอะไรอาจารย์สมชายจึงมองแบบนั้นคือท่านบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากประโยชน์ส่วนรวมแต่ข้อเสนอที่เร่งรีบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราที่ตอนนี้เนี่ยจะพักเพื่อไทยก็ดีจะพักประชาชนก็ดีที่คุณบอกว่าจะต้องแก้เนี่ยคุณจะไปแก้ในประเด็นเรื่องของจริยธรรม ไปแก้เรื่องของการจำกัดอำนาจสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการวินิจฉัยประเด็นเรื่องต่างๆคุณต้องทบทวนให้ดีนะคะเพราะกลัวว่ามันจะซ้ำรอยการแก้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะสุดซอยหรือไม่อย่างไรอะอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเคยโดนวินิจฉัยในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จนเป็นเหตุให้ในายกเศรษฐาได้ต้องหลุดจากเก้าอี้ทีนี้ คุณก็กลัวว่าถ้าคุณไม่ไปรีบแก้นในปมประเด็นนี้นายกปัจจุบันอาจจะโดนสํารอยหรือเปล่าเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยวางบรรทัานเอาไว้เข้มข้นมากๆในขณะที่ก้าวไกลก้าวไกลก็โดนยุบพักด้วยเหตุว่าสารชี้ว่ามีพฤติกรรมที่ล้มเหลวและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วยังลามไปถึง44สสนะคะ ที่ถูกร้องปปชอเอาไว้ด้วยทีนี้การประสานเสียงของสองพักเนี่ยมันจึงดูเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือของพักเป็นหลักหรือเปล่าในขณะที่เรื่องอื่นๆเช่นระบบการเลือกตั้งสอสอการได้มาซึ่งสวคุณสมบัติองค์กรอิสระเรื่องของยุทธศาสาตร์ชาติกฎหมายพักการเมือง เฮ้คุณไม่แตะเลยคุณบอกว่าเดี๋ยวเขาไปแก้ตอนที่ทําร่างใหม่ทั้งฉบับก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นิรโทษกรรมสุดซอยเคยมีมาแล้วแล้วจบด้วยการสิ้นสุดรัฐบาลที่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมแบบสุดซอยหวังว่ามันคงไม่ใช่การนําไปสู่การสิ้นสุดของรัฐบาลซึ่งดิฉันเติมข้อมูลให้นะคะเนื่องจากว่าในร่างแก้ไขที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยกําลังร่างอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้ปมจริยธรรมแล้ว ย, ยังไปแก้ด้วยว่ากรณีของ สสนะคะหรือว่านักการเมืองที่ทําผิดในปมจริยธรรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพ่อสูงสุดคือตัดสิทธ์การเมืองตลอดชีวิตค่ะแต่ล่าสุดจะแก้ว่าให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง5ปีแต่ว่ายังสามารถไปเลือกตั้งได้เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ อ, อ้าวอะย่างพักประชาชนเข้าแกลบเลยสี่สิบสีถูกร้องอยู่ในชั้นปปชซึ่งถ้าหากว่าแก้รายมาตราผ่านเนี่ยนะคะนั่นแต่ว่าสอสอพักประชาชนตอนนี้44คนซึ่งเคยเป็นเดิมของพักก้าวไกลที่ยื่นแก้ไขมาาตรา คุณจะไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งปมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือแก้แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซอ้อนหรือเปล่าเพราะคนที่ยื่นแก้รัฐธรรมนูญก็คือคนที่เป็นนักการเมืองที่ได้ประโยชน์จากการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนี้ก็อรอดูต่อไปนะฮะอย่างที่คุณสมชัยศรีสุธยากรกเตือนว่านะมันอาจจะเป็นเผือกร้อนในมือรัฐบาลเพราะมันไม่ถูกที่ถูกเวลาในขณะที่เวลาแบบนี้เนี่ยประชาชนกําลังเดือดร้อน ล่าสุดคุณวิมลใส่นิมนวนนะคะนักเขียนรางวัลสีหลายโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการแก้แรัฐธรรมนูญของนักการเมืองเนียแ่ะคะ่ะ เจ็บแสบแม้ว่าจะไม่มีคำหยาบแต่ว่าเจ็บแสบคุณวิมลใส่นิมนต์โพสต์ว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวดูกันไปพร้อมๆกันคุณวิมลเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้หนักหัวพลเมืองมันหนักหัวเฉพาะนักการเมืองที่โกงชาติขายชาติล้มเจ้าแล้วก็พวกเรวกราวกราชที่ฆ่านักการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่มันอาจจะเป็นโทษกับนักการเมืองเขาจึงต้องการแก้หรือว่าร่างใหม่ไม่ว่าจะใช้เวลาและงบประมาณมหาศาลแค่ไหนเพราะเขาไม่เคยสวนว่า ประชาชนกำลังลำบากทุกหยอมหญ้านี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนนะคะติดแฮแท็กปบเลือกนายแล้วพูดถึงคุณวิมลใส่นิ่มนวลเนี่ยก็ยังโพสต์ข้อความอีกโพสตหนึ่งเป็นโพสที่พัดพิงแล้วก็เหมือนวิเคราะห์ไปถึงด้อมส้มนะคะที่อวยคุณธนาธรคุณพิชาหรือว่าคุณนัฐพงศ์คุณวิมลบอกว่าสามคนนี้เนี่ยมัดรวมกันมาก็ยังไม่ได้มีคุณสมบัติหรือว่าศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความรู้ที่ คุณรู้จริงหรือเปล่าคุณประดิษฐ์ข้อยคําหรือเปล่าหรือว่าเป็นวาทกรรมแน่ๆโดยเอาเหตุผลประกอบมาทั้งหมดสี่ข้อประการแรกสิ่งที่พิสูจก็คือพวกเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในอาชีพของตนเองอย่างชัดเจนบางคนทําธุรกิจตัวเองแล้วเจ๊งด้วยงคงจะทาบกันดีนะคะบางคนไม่เคยบริหารธุรกิจของครอบครัวเพราะก็ไม่ได้มีความสามารถสองทัศนคติอันนี้สำคัญนะคะบางค น, นมีทัศนคติที่มองสังคมเป็นลบเพราะขังตนเองไว้ ในข้อแห่งความเชื่อที่เป็นลบจึงมาโทษนะคะตัวเองประเทศชาติมาโทษอะไรก็ไม่รู้ข้อสามไม่มีประสบการณ์บริหารรัชการแผ่นดินไม่เคยทำงานเมื่อก่อนไม่มีความรู้แบบองรวมมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจและการเมืองในสังคมและสุดท้ายการมุ่งแต่จะทำลายสถาบันเป็นเป้าหมายหลักความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็แถบจะไม่สนใจสนใจก็ด้คาพูด ทาทีเพื่ออะไรอยากได้คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นพวกคุณก็คงมองไม่เห็นปัญหาของประชาชนที่เกิดจากหลากหลายเหตุผลมุ่งมั่นแต่จะใช้นโยบายประชานิยมรวมถึงรัฐสวัสดิการที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในเมื่อไม่มีความรู้จริงมีแต่ความรู้ตามข้อมูลตามตำราซึ่งส่วนมากมันเป็นความรู้เทียมบางก็ตกยุคมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นคือมีการประดิษฐ์วาทกรรมสร้างวาทะเทพเทหวังจะให้โดนใจผู้คนซึ่งมันไม่ได้บอกว่าอันเนี้ย คุณเก่งพอที่จะบริหารประเทศได้ปัญหาของประเทศไม่ใช่ล้านหรูที่พวกคุณหนูจะเช็คอินมาอวดกันนะคะติดแฮชแท็กตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเนะนี่คือสิ่งที่นักวิชาการหรือว่าหลายคนมองว่าการพยายามของนักการเมืองของพรรคการเมืองหลายๆพักเองเนี่ย ไม่ได้มีการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนใชนะ่ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเองตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขากำลังเดือดร้อนใช่แต่น ก, การเมืองก็กระเรี่ยงกระหือที่จะแก้รัฐธรรมนูญ ม, มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแหมรัฐบาลแพ้ทองทานเข้ามาทํางานไม่ทันไรจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้รายมาตราแต่ว่าปมที่คุณจะไปแก้นเนี่ยคือคุณจะไปตีกรอบคําว่าจริยธรรมซึ่งเป็นปมที่ทําให้คุณจะท่าพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สิ้นสุดควาามเป็นนนยั มันกว้างเกินไปแล้วก็อ้างว่าอะอย่างเช่นล่าสุดคุณแทนทองฐานทำวินิฮาร์ดเนี่ยก็ไปล้อลมจริยธรรมมันตีกรอบมันกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้ เดี๋ยวเราจะแก้รัฐธรรมนูญเสียงก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเพราะคนที่จะแก้คือนักการเมืองประโยชน์ที่ได้มันก็จะตกแก่นักการเมืองปรากฏวันล่าสุดวันนี้ค่ะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งจะว่าไปก็คือคนที่ออกมาโยนหินถามทางเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกม้วนอีกใบก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยวันนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณชูศักด์เกี่ยวกับสาระสาคัญในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ฉบับของพอรรคเพื่อไทยซึ่งเราเห็นหน้าตาของร่างกันแล้วเนี่ยนะคะก็มีอยู่6ประเด็นซึ่งสาระสำคัญก็คือไปตีกรอบคำว่าจริยธรรมให้มันเข้มข้นมากขึ้น คุณสมบัติของคนที่จะเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระการจะให้ใครพ้นจากสมาชิกภาพต้องใช้เสียงข้างมากเอ๊ะมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือเปล่าแล้วประเด็นจริยธรรมเนี่ยท่านจะตีความอย่างไรแล้วยังไงคือต้องให้คดีไปถึงศาลฎีกาเท่านั้นัวมัน มันลดความเข้มข้นลงหรือเปล่าอาจารย์สุศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมนะคะคือเราก็ยังไม่ได้มีจุดเริ่มต้นว่าจะนับตรงไหนเพียงแต่ว่าก็มีหลักการแนวคิดว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่ที่สารดีการรับฟ้องให้เป็นคดีจริยธรรมหรือเปล่ามันจึงจะเข้าข่ายขัดต่อจริยธรรมอย่างไร้แรงแล้วก็ห้ามดํารงตําแหน่งนรัฐมนตรีโดยกระบวนการจริยธรรมเนี่ยก็คือต้องมีการไปร้องกับปวชแต่ถ้าเกิดว่า มีคนที่อยากจะกั่นแกล้งกันแล้วไปร้องปปชแล้วเรื่องอยู่ในปปชแล้วผิดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบนี้มันก็อาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเอาความเข้มข้นคือให้ศาลฎีกา ร, รับเป็นคดีก่อนหรือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในชั้นอื่นๆนะไม่เอาเอาเฉพาะคดีที่อยู่ในชั้นฎีการแล้วเท่านั้นหรือไม่ถ้าไปร้องปปชคุณก็ต้องรอให้ปปชชี้มูลก่อนนะ ไม่ใช่สมมติดิฉันไม่ชอบคุณจะถาพรเป็นนักการเมืองไปร้องปปชเลยคดีอยู่ในชั้นปปชเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะคบแบบนี้มันมันดูกว้างเกินไปไม่ได้ต้องให้ปปชชี้มูลหรือว่าให้สารดีกาแรผรนคดีอายาของผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยรับเป็นคดีก่อนมันจึงจะนับหนึ่งว่าอ่าบุคคลนี้ไม่มีสิทธิที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยยังกล่าวถึงประเด็นการแก้มติสารรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปแก้ในปมที่ว่าถ้าคุณจะพิจารณาให้ใครพ้นจากสม ที่กัภาพการเป็นรัฐมนตรีต้องใช้เสียงข้างมากสองในสามยกตัวอย่างเช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีเก้าท่านสองในสามคือต้องหกต่อสามเจ็ดต่อหนึ่งเจต่อสองแปดต่อหนึ่งหรือเก้าต่อศูนย์ อย่างกรณีคุณเศรษฐาห้าต่อสี่เนี่ยไม่ได้นะมันต้องเป็นเสียงข้างมากสองในสามหลักคิดคืออะไรคุณชูศักดิ์อธิบายแบบนี้นะคะว่าหลักคิดก็คือเราต้องการที่จะใช้ความเข้มข้นคือคุณจะเอาใครสักคนหนึ่งให้หลุดจากเก้าอีความเป็นรัฐมนตรีหรือหลุดจากความเป็นสสเนี่ยมันต้องใช้เสียงข้างมากพอสมควรนะ จึงจะเอาคนคนนั้นออกจากการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอได้คือมันต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรถือว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักนะคะเอาเฉพาะถ้ามีการยื่นพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่หรือว่าความเป็นสอสอสิ้นสุดลงหรือไม่ควรจะต้องใช้เสียงข้างมากอย่างน้อย สองในสามคือหลายปมที่จะแก้แล้วสังคมก็ตั้งคําถามกลับหมดเลยรวมไปถึงงบประมาณที่ใช้คุณไปแก้คุณสมบัติต้องทําประชามติใช้เงินพันล้านหมื่นล้านเอาไปช่วยน้ําท่วมดีกว่าไหมนักข่าวถามว่าอ้าวแล้วที่เคยเขียนเอาไว้ว่ารัฐมนตรีต้องติดคุกคุณจะไปแก้ใหม่ตัดทิ้งเพราะอะไรคุณจู๊ดจั๊กบอกว่าอย่างกรณีสารชั้นต้นเนี่ยนะคะคือเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องของคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยมันควรจะต้อง มีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความชอบธรรมถ้าเกิดว่ามันไม่มีความชอบธรรมอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นธรรมกับคนที่ขึ้นมาดำตรงตำแหน่งตรงนี้ที่นี่ไทม์ไลน์ล่ะ ตอนนี้เริ่มมีการเปิดร่างแก้ไข6ข้อของพักเพื่อไทยออกมาแล้วและจะยื่นเข้าสภาได้วันไหนนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเลขกลมกลมที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือ25กันยา ย, ยนก็คือสัปดาห์หน้าแต่นี้เป็นตุ๊กตานะไม่ใช่ว่าเดี๋ยว25จะยื่นปุ๊บเลยเป็นตุ๊กตาเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งการพิจารณาเนี่ยก็น่าจะพิจารณา3วาระ รวดเลยทีนี้ตามหลักการข้าค้าก็คือหนึ่งคื อ, อมีสิทธิ์เสนอร่างเสนอร่างปุ๊บรัฐสภาว่าไงถ้าวอดเห็นทอบ ต้องมีเสียงสวหนึ่งในสามสอสฝ่ายค้านอย่างน้อย 20% ซึ่งหลังจากที่สภาสมมุติถ้าเห็นด้วยมันก็ต้องมีการทําประชามติตรงนี้กังวลไหมเรื่องของการทําประชามติจะทําประชามติได้ในช่วงไหนคุณชุติศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาด้วยทีนี้คนมองว่าแล้วทําไมพักเพื่อไทยเนี่ยเลือกจะแก้แค่อำนาจศาลและธรรมนูญทําไมคุณไม่ไปแตะปมเรื่องของอํานาจปปชอย่างที่พักประชาชนเขาเสนอมาเพราะว่านอกจากพักเพื่อไทยแล้วก็มีพัก ประชาชนที่เสนอเข้ามาด้วยนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปชเราก็มีร่างแก้ไขพรบป ป, ปชเหมือนกันซึ่งก็มีการแก้ไขหลายเรื่องนะคะส่วนคำถามที่ว่า พักการเมืองดําเนินการเองแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะมันจะส่งผลกระทบประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่คือยืนยันว่าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเสียงในสภาจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะ <c oughs> ว่าการจะแก้กฎหมายต้องเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาสสอเอาด้วยไหมสอวอเอาด้วยไหมคุณโชติ ก, ก็บอกกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันจริงๆเราไม่อยากจะมองว่าเสียงเพียงพอไหมแต่เราต้องยืนให้เกิดความยุติธรรมในระบบมองว่าทําแบบนี้เนี่ย น่าจะสบายใจมากกว่านะคะส่วนการทำประชาตกิกังวลหรือเปล่าว่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าไปแก้กฎหมายแล้วจาก double majority เสียงข้ามากสองชั้นมาเป็นเสียงข้ามากชั้นเดียวคุณชุศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คิดว่าเราจะเดินสายกลางก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมั้งเรื่องการแก้รามาตราบแบบนี้ เ, เ, น เ, เพื่อไทยนัดพักร่วม ทำเรารัฐธรรมนูญทำเรารัฐธรรมนูญเขาไม่ใช้คำว่าแก่นะเขาใช้คำว่าทำเรารัฐธรรมนูญนะก็เมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชชิยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกนาโหมก็บอกนะครับสัปดาห์หน้าจะเชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลมาปรึกษาหารือนะครับตอนนี้ก็ให้ไปรับฟังสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่มีปัญหาแล้วก็มาเขียนเป็นร่างกฎหมายซึ่งวิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด คือการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งสามารถแก้ได้เลยแต่ต้องเข้ากระบวนการทั้งหมดที่กําหนดไว้นะครับและเรื่องนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งที่ผมเคยเป็นประธานตรงนั้นก็ให้ดําเนินการไปตามขั้นตอนที่จะแก้กฎหมายประชามติเพื่อทําให้ประชามติสะท้อนความเป็นจริงให้มากที่สุดตรงนี้จะแก้คู่ขนานกันไปนะครับนักข่าวก็ถามว่าสสเพื่อไทยเนี่ย เน้นไปเรื่องของจริยธรรมไม่ให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60นะครับใช่ไหมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าต้องหารือกับ6พักร่วมคิดว่าประเด็นไหนมีปัญหาจะครอบคลุมหรือแก้ไขยึดโยงไปถึงระยะเวลาอย่างไรตอนนี้ไม่สามารถพูดได้เพราะเป็นเจตนารมณ์และความต้องการของแต่ละบุคคลอาจจะเห็นเหมือนหรือต่างกันก็ได้แต่หากพักร่วมรัฐบาลทั้ง6พัก เห็นพ้องต้องกันรวมไปถึงสสและสอวอเห็นตรงกันประเด็นนี้ก็จะง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องมาดูว่าสิ่งที่หกพักการเมืองคิดนะฮะพักฝ่ายค้านคิดสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาคิดย่อมมีหนทางข้อเสนอร่วมกันได้อย่างไรนะฮะนายชูศักดิ์สรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงการยื่นร่างแก้ไข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 โดยหลักคิดของเราการที่จะเอาคนออกจากตําแหน่งควรจะต้องใช้เสียงพอสมควรเพราะถึงขั้นเอาคนออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสส อ, สอจึงควรเป็นเรื่องที่เอมีพยานหลักฐานพอสมควรนะฮะนี่คุณจูสักเนี่ยยังกล้าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆว่าเอาคุณจูสัก์เนี่ยก็คือเอาตรงๆก็คือว่าเห็นนายก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 จากรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าข้อสงสัยว่าคุณพิชิตชื่นบานไปทําแบบนั้นเนี่ยเ อ, อผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหมนะะก็ผิดแต่ของใหม่ที่เูแก้เนี่ยคุณพิชิตเนี่ยเรื่องละเมิดจริยธรรมเนี่ยต้องไปอยู่ในขั้นสารดีกาแล้วเท่านั้นออืต้องอยู่ในขั้นสารดีกาแล้วน ะ, ะถึงจะเอาตรงนี้เอาจริยธรรมเนี่ยมาวินิจฉัยในสารรัฐธรรมนูญได้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 คุณชูศักดิ์กล่าวอธิบายอ่ะเฮ้ยถอดรัฐมนตรีเรื่องใหญ่นะถอดสอสอเรื่องใหญ่นะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เสียงข้ามากอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบทิ้งห่างด้วยต้องสองในสามด้วยกลัวขนาดเนี้ยดูสิะใชเออคือถ้าแก้แล้วนะคุณเศษฐาก็ไม่หลุดเพราะห้าสี่ไงเพราะคุณเสรษฐาจะหลุดต้องหกสามสองในสามสองในสามนี่กลัวขนาดนี้ก็อย่างที่คุณธีระบอกอ่ะ พวกคุณแก้เนี่ยเพราะพวกคุณเองเนั่นแหละนะประชาชนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะนักการเมืองได้แล้วแก้แบบนี้บอกตรงๆนะเออมันเป็นการดูถูกตัวเองนะผมจะบอกให้คุณแก้เรื่องมาตรฐานเสริยธรรมคุณแก้คุณไปกลับคำผิดวางตำแหน่งอะไรเนี่ยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคุณทำเหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ย ถ้าพูดถึงจริยธรรมถ้าพูดถึงความซื่อสัตจสุจริตแล้วเฮ้ยเรามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเราเฮ้ยเราเรามีหรือเปล่าเรามีจริยธรรมเป็นมาตรฐานหรือเปล่าในเมื่อเรายังไม่แน่ใจเราแก้ตรงนี้ที่กว่าแก้ตรงนี้เผื่อวันหน้าถ้าเกิดนายกเลือกเราเป็นรัฐมนตรีเราจะได้ไม่ติดแต่ตรงนี้ไงเออเราแก้เลยเราแก้เลยนะฮะเห็นไหมมันควรจริงพวกคุณเนี่ะ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 ถ้าเกิดจะมีนายกแต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีนะฮะเขาก็ไม่ติดตรงนี้แน่เพราะเขาซื่อสัตย์สุจริตคนประเภทไหนที่เวลาจะตั้งเป็นรัฐมนตรีต้องมาคิดกันแบบโอ้โหคิดหนักต้องยื่นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูนะเพราะคุณมีปัญหาไม่โปร่งใสในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยใช่ไหมฮคนบางคนนักการเมืองเราเห็นปุ๊บโอ้โคนนี้ไม่มีปัญหาเลยคน น, นี้ซื่อสัตย์อืแต่บางคนบางคนเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอ คร้ y, จะตั้งคนนี้เหรอมันทํำไมเป็นแบบนั้นซึ่งความจริงมันต้องทุกคนถูกไหมที่พอเห็นปุบ๊บคนนี้ซื่อสัตย์สุจริตอืมอืมแต่พวกคุณกลับไม่ใช่แล้วตอนนี้พวกคุณเนี่ยกลับแก้กฎหมายมาปกป้องพวกที่มันเป็นสีเทาๆพวกที่ดูแล้วมันไม่อ๋อเลยว่าโอ้โหมันไม่ดีดนิ้วเลยว่านี่ซื่อสัตย์สุจริตแน่ๆคุณกลับแก้กฎหมายมาเป็นประโยชน์ให้กับคนพวกนี้ มันถูกไหมคุณชูศักดิ์มันถูกไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณแบบไปไปริดรอนอำนาจของสามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหทำถึงขนาดนี้อะใช่ใช่นี่ก<ต> <ผม S 2> านานเนะี่ผมภาวนาเลยนะว่าถ้าเกิดคุณแก้ไขสำเร็จซึ่งก็คงจะสำเร็จแหละเพราะพวกคุณกำลังจะร่วมกันทำเราเรัฐธรรมนูญถ้าสำเร็จนะข่าวต่อไปคดีไหนก็ตามแต่ถ้ายื่นให้ศาล วินิจไัยว่าคนคนนี้ละเมิดจริยธรรมมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมขอให้ศาลเนี่ยลงมติไปเลยว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หมดเลยให้เห็นไ่เลยคืออยากจะให้ศาลเนี่ยออร่วมกันอยากแก้ไขดีนะอยากจะริบหลอนอำนาจเรา ม, มาบังคับเรามากเกินไปจะไหมมาทำให้เราต้องคิดมากอมเออทำงานยาก ทีนี้ถ้ายื่นเรื่องมาจัดการได้หมดเลยเอาแบบเอาแบบขาดกระจุยคาบ้านเลยอ่ะก้าศูนย์เลยไม่ต้องมาคิดมากทุเล่จริงๆนะใช่ในยามที่ประชาชนเดือดร้อนนะแทนที่คุณจะร่วมกันหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ช่วยเหลือไม่ออกหัวคิดในการช่วยเหลือฟื้นฟูยามน้ำท่วมเนี่ยนะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ใช่ไหมเออคุณช่วยกันมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในมุมต่าง โอ้โหนี่แก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญเออแก้รัฐธรรมนูญโอ้โหคิดได้ยังไงนี่เข้ามาทางานไม่นานนะแก้เรื่องนี้ก่อนเลยเออแล้วแก้แก้ในเรื่องที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องจริยธรรมของคนที่จะมาเป็นนักการเมืองของคนที่อาสาป่ากก็บอกว่าอาสาเข้ามาทางานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนใช่แต่คุณมาแก้เรื่องจริยธรรมรคิดง่ายๆนะคนของพรรคเพื่อไทยสมมติ คุณเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยแล้วคุณจะรับคนเข้าทำงานในบริษัทคุณเองเนี่ย uh. คุณจะเลือกคนดีจริยธรรมหรือว่าคนสีเทาๆ uh. Uh. เอาแค่ตัวคุณเองเนี่ยบริษัทคุณเองบ้านคุณเองจะเลือกคนเข้ามาทำงานเนี่ยจะเลือกคนแบบไหน uh. ประเทศเองก็เหมือนกัน uh. ใช่ไหมฮะใช่ก็อยากได้คนที่ดีที่สุดมีจริยธรรมใสซื่อมือสะอาดเข้ามาทางานไม่ใช่พวกสีเทา นมันแป้งหรือไม่แป้งวะแล้วมันเจ้าพ่อหรือไม่เจ้าพ่อวะใช่ไหมฮะนะฮะเออกลัวมากอืเพียงแค่เกิดกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาและคุณพิชิตเท่านั้นแหละใช่โอ้โหกลัวกันแบบลนลานเลยคือไม่มั่นใจในความซื่อสัตย์ในความดีของตัวเองเลยนะไม่มั่นใจเลยนะเออจริงๆไม่น่ากลัวเลย ใช่ไม่น่ากลัวเลยคุณก็ต้องดูไว้อ๋อโอเคเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะเหตุการณ์คุณเศษฐาไปตั้งคุณพิชิตเอาล่ะทีนี้เราก็เราก็ต้องไม่ตั้งคุณพิชิตอืโทษนะเราก็ไม่ต้องต้องไม่ตั้งคนอย่างคุณพิชิตเข้าไปอืมแค่นั้นก็รอดแล้วใช่ไหมฮะใช่แต่คุณกับคุณกลับจะดึงดันตั้งคนอย่างนี้เข้าไปโดยไปแก้ไขกฎหมายซะให้ตั้งได้เออเออแปลกไหมคุณคิดได้แปลกมาก คุณคิดได้ผิดมนุษย์มันามากโอ้โห oh. คุณต้องมั่นใจในความซื่อสัตย์ความมีจริยธรรมของตัวเองสิครับคุณพี่ใช่ไหมฮเออเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าคุณจะแก้ไขเป็นรายมาตามันแก้ง่ายอยู่แล้วไงทำไมไม่ไม่ต้องไปแตะต้องไม่ต้องไปทําประชามติใ ช, ใช่ไหมมันไม่ใช่แก้ทั้งฉบับคุณก็คงจะแก้ได้แต่ผมขอใหพ้พอคุณแก้ได้เลยนะผมขอให้ความแข็งแรงความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลของคุณเนี่ย มีอันเป็นไปเลยตามที่อาจารย์สมชัยบอกเลยอืมระวังมันจะเกิดเหตุเหมือนอย่างสมัยนายกยิ่งรักแก่สุดซอยเ น, นี่ยนะฮใช่นะฮะผมขอให้มันเป็นอย่างนั้นืะนะเพราะคุณทําแบบนี้ก็ต้องขอให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเออใช่เราอยากจะให้พวกคุณมั่นใจในความดีของตัวเองพวกคุณมีนะความดีอ่ะมีความซื่อสัตย์ ม, มีความเก่งอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องกลัว่ไม่ต้องกลัวนะฮะ ต้องมั่นใจว่าวันต่อไปเราจะเป็นรัฐมนตรีได้โดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมายเพื่อเอื้อเฟื้อเราอะ่ะเราเป็นรัฐมนตรีแน่นอนไม่ต้องกลัวะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิลส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงคแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ